พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่อุปกิเลสสูตรอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตสิ่งที่ต้องรู้จักและละให้ได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคศิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางทะเลาะวิวาทกล่าวเสียดสีใช้ปากดุดหอกทำร้ายกัน พระผู้มีพระภาคเสด็จไปห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมเชื่อฟังครั้นเวลาเช้าภายหลังสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วส่งเก็บงำเซนาสนะถือบาตรและจีวรประทับ ย, ยืนอยู่ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างส่งเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นคนพาณ น, นั้นไม่มีเลยสักรูปเดียว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 ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวนว่าคนนี้ได้ ด, าาด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไห น, ไหนเวนทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวนแต่เวนทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมะเก่า ธรรมะเก่าหมายถึงทางปฏิบัติเพื่อสงบระงับเวรที่ประพฤติสืบสืบกันมาของพระพุทธเจ้าพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระกีนาศพชนเหล่าอื่นคือคนที่สร้างความแตกแยกในหมู่นั้นซึ่งไม่ใช่บัณฑิตไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่หน้าที่นี้ส่วนชนเหล่าใดหมายถึงบัณฑิตในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกัน ยอมระ ง, งับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบันกระดูกค่ากันลักทรัพย์คือโคและมาช่วงสิงแวนแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะไหนเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เราถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีคือผู้เพียบพร้อมด้วยกรมวิหารธรรมสี รูปฌานสี่รูปฌานสีและสัญญาเวท้าิตานิโรธหนึ่งเป็นนักปราชครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจช่ำชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิด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 ได้เสด็จเข้าไปยังบ้านพาลากะโลนาการักามต่อจากนั้นเสด็จไปยังป่าจีนวังสทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะพระนันทิยะพระกิมพิละพักอยู่ในป่านั้นนยายทายบาลคือผู้รักษาปา่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามไม่ให้เข้าไปท่านพระอนุรุท ธ, ธะได้ยินจึงบอกนยายทายบาลไม่ให้ห้าม ราที่เสด็จมานี้คือพระพุทธศาสดาเราจึงไปชวนท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละให้มาเข้าเฝ้าต้อนรับพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิทฑบาตหรือเปล่าทูลตอบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณทบาตพระพุทธเจ้าค่ะ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 เป็นลาบของเรานอะเราได้ดีแล้วหนอะที่ได้อยู่กับเพื่อนปรมารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมมันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนและประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้เมื่อําเช่นนั้น กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่าท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลเช่นเดียวกันนี้พระผู้มีพระพาตรัสว่าดีแล้วอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละอันนึง่งเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือเปล่า ขอประธานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่พระพุทธเจา้าค่ะตรัสถามว่าเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่นั้นเป็นอย่างไรขอประธานวโรกาศบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบินทบารจากบ้านก่อนรูปนั้นย่อมปูราตอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาสาหรับไว้ รูปได้กลับจากบินทบาทจากบ้านในภายหลังถ้ามีบินทบาทที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บเงาอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปได้เห็นหม้อน้าฉันหม้อน้าใช้หรือหม้อน้าชาระว่างเปล่า รูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบน่นเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วอนุรุท ธ, ธะนันทิยะและกิมพิละเมื่อเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระทานวโรกาศข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็าหายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุท ธ, ธะนันทิยะและกิมพิละ เธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่จะเล่าให้ฟังว่าก่อนแกการตรัสรู้แม้เรายังไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็าหายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเรา เรานั้นได้คิดว่าวิจิกิจชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจชาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจชาจะไม่เกิดแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้ แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้คิดว่าอมนัสิการคือการไม่ใส่ใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอมนัสิการเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจับทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาและอมนัสิกานจะไม่เกิดแก่เราอีกและโดยในยะเดียวกันเพราะถิณามิทาเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้สมาธิเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจับทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนัสิกานและถินามิทะจะไม่เกิดแก่เราอีก ตรัสถึงการบังเพญเพียนต่อมาและเหตุที่ทําให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้เพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อน แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอัมนะสิกานทีนมิทะและความสะดุ้งกลัวจะไม่เกิดแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทความปลาบปลื้มเกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนบุรุษผู้สแสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปลาบปลื้มแม้ฉันใด ความปลาบลื้มเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความปลาบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนาสิกานทีนามิธาความสะดุ้งกลัวและความปราบลื้มจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทความชั่วยากเกิดขึ้น สมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจชาอมณสิกานทีนามิทะความสะดุ้งกลัวความปราบลืมและความชั่วหยาบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทความเพียรที่บำเพญเ็ญเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียกเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกไว้แน่น นกนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั้นนั่นเองแม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนาสิกานทีนะมิทะความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มความชั่วหยาบและความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทความเพียรที่หย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนบูรุ์เอามือทั้งสองจับนกหลุมหลวมนกนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดเพราะความเพียรที่หย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนาสิกานทินมิทะความสะดุ้งกลัว ความปราบปลืม้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและความเพียรที่หย่อนเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจชาอมนะสิการถีนมิทะความสะดุ้งกลัว ความปลาบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บําเพ็ญเกินไปหย่อนไปและตันหาที่คอยกระซิบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนานัตสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราจึงเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําโดยวิธีที่วิจิกิจจาอมนาสิกานทีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้ม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 ความสะดุ้งกลัวความปราบปลืง่งความชั่วหยาบความเพียรที่มำเพรเิเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระสิบนานัตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกเรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจชาเป็นอุปกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต เราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกเลสแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าอมนสิการทินมิทะความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตสัญญาลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปรู้ชัดว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิต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 แต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณมิได้สมัยนั้นเราก็มีจักสุขอันหาประมาณมิได้เรานั้นจําแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ด้วยจักสุขอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรารู้ชัดดังนี้ว่า วิจิกิจชาอมนาสิกานทินมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบลื่มใจความชั่วยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานาตัสัญญาลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปรู้ชัดว่าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตจึงละสิ่งเหล่านั้นอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้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 ได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สหรคตะด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สหรคตะด้วยอุเบกขาบ้างในการใดเราเจริญสมาธิแต่ละประการเหล่านั้นในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวีมุตของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอนุรุท ธ, ธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบอุปกิเลสสุร